หลวงพ่อพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อท่านมั้ยครับ อ่อนคล้ายๆผู้หญิงหญิงแต่ว่ามีจิตตานุภาพกล้าแข็งใครๆเข้าใกล้ทันแล้วสบายกายสบาย เมตตาเป็นคุณธรรมอันก่อให้เกิดความรักและความเห็นใจหลวงพ่อครูบาวัด มีเจโตปริยญาณล่วงรู้วาระเช่นพระมหาวีระฐวโรหรือว่าหลวงล่วง มีเรื่องจริงเกิดขึ้นบรรดามี รุ่งเช้าก็พากันกินอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม มาถึงวัดก็เข้าไปกราบนมัสการพระๆกับข้า นักครูได้ทันที 4 ตามมีเช่นฉันมือเดียวใน แล้วก็ออกปฏิบัติธรรมที่ได้ศึกษาเล่าแล <ๆ. S 1> 24 ปีจน 60 พรรษาท่านว่า ตั้งแต่ปี 2497 ปี 2491 การฉันหตนเดียวของท่านถือเป็นประจำถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่าน ไปค้างที่อื่นแล้วท่านไม่เคยไปค้างที่ พร้อมด้วยผู้มีเกียรติหลายท่านมาวันแล้วก็ถวายพอ ท่านเคยพูดว่าบาทนี่แหละคือกระเป๋าของพระที่ นากุฏิของท่านเป็นประจําไม่เคยขาดนอกจากๆมุงด้วยใบตองใบหญ้า ตามปกติท่านไปถึงที่จะๆทีเดียวท่านตั้งกติกาสวดไว้ 3 เวลาคือเช้ามืดฉันแล้วแล้วก็ตอนเย็นนอกจากนี้ยังมีประชุมไหว้ วันอุโบสถท่านก็จัดให้ฟังปาติโมกข์ 30 สิงหาคมครับ 2441 ที่ป่าๆตั้ง อยู่ในหมู่บ้านกองงามตำบลแม่แรงอำเภอปากบ่องหรือ ครูบาอินทจักข์รักษาวัดน้ําบ่อหลวงอ่ามรณภาพไปแล้วแล้วก็คน ที่เรียก 4 ครูบาเนี่ยนะครับคือบวชทั้ง 4 รูปเป็นเจ้าจะกินมีอาชีพทํานาทําสวนเป็นสัมมาอาชีวะไม่มีการยิงนกตก ปกครองลูกหลานโดยยุติธรรมไม่ 2494 อายุ 90 พรรษาก็คือครู เมื่อปี 2477 อายุ 70 ครับโยมแม่เด็กชายพรหมมาเมื่อเจริญ เพราะสมัยนั้นตามชนบทยังไม่มีโรงเรียนกันอย่างปัจจุบันแม้เขียนก็หาเลยผู้สอนก็ก็มีงานมากไม่ค่อยอยู่สอนเป็นประจำก็เป็นการยากแก่การเรียนอาศัยความตั้งใจความอดเป็นกําลังถึง ยิ่งได้เห็นพระพี่ชายที่บวดอยู่หลายรูปพากันมาฉันข้าวที่บ้านได้เห็นพระพี่ชายที่บวชอยู่หลายรูป 2455 เป็นปีที่สงคราม ทางทางราชการก็เร่งรัดเกณฑ์ผู้คนไปเป็นทหารกันรุนแรงท่านได้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นปี 2455 พ่อแม่ไปบวชพร้อมมาหรือว่าป่าสั่งอโหสิกรรมต่อท่าน เพื่อขอให้ท่านบวชให้คั้นพระอุปัชฌาย์มอบ มั่นใจว่าจะขอ 15 วาระอ่าโดยศอกแล้ว ท่านบอกว่าคันแรกเนี่ยรู้สึกหนัก 1 แผ่นๆแผ่นนั้นท่านยังเก็บ น้องเจนได้เข้าที่โรงเรียนประชาบาลซึ่งเวลานั้นทางวัดเค้าจัดการตั้งขึ้นสอนกัน 18 ก็ได้ศึกษานักธรรมตรีตามลําพัง เพราะทางคณะสงฆ์ยัง 2 ปีต่อมาประมาณปีมาประมาณปี 2459 จึงมีสำนักเรียนและ ไปศึกษาตลอดทางศาระยะทาง 3 กิโลเมตรต้องเดินผ่านทุ่งนาไปไป 20 ปีก็ได้กลับมาก็ได้กลับ คันลุถึงปี 2462 ทางคณะสงฆ์ข้อสอบวิชานั้น 21 ข้อนักเรียน 7 จังหวัดในภาพ 100 รูปส่วน 11 รูปรวม คลังสอบเสร็จแล้ววันนึงก็แจ้งผลการ พระมหาราชได้มาขอต่อพระอุปัชฌาย์และพ่อแม่ แล้วท่านก็รู้สึกเห็นใจ ท่านก็เลยพยายามศึกษาหาความรู้ใน ความรู้สึกสังเวชในชีวิตของตนเนื่องด้วยชีวิตเป็นของครับเดี๋ยวพัก ชัยพิษังเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องชัยชศพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนะเรา จังหวัดเมื่อวันอังคารที่ 29 เดือนกรกฎาคมปี 2464 วันนั้นเป็นวัน ครั้นได้เวลาก็ออกจากวัดด้วยใจสมณธรรมเป็นการสนองคุณ ระยะระ 12 กิโลเมตรโดยมีสามเณรอุ่นเรือนต่อมาก็เป็น การออกปัญจารแล้วก็พากันเดินทางกลับมาคารวะพระอุปัชฌาย์แล้วก็ 12แรม 3 ค่ํา ต้อง 5 6 กิโลเมตรบาทจีวรนี่ที่แอบนี้ออกจากคุกตรางชุ่มไปก็หยุดพักพอหายเหนื่อยคูบาพรหมมาๆ ซึ่งมีอยู่ 2-3 หลังจำได้ว่าเป็นบ้าน ครูบาพรหมก็เพราะคิดเท่านั้นจิตก็เต็มไปด้วยความปิติว่านี้นับว่าเป็นโชค คันฉันเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่าผ่านไปพอถึงตอนเย็นก็มีพระน้องชายก็คือพระครูสุนทรคัมภีรญาณแล้วก็สามเณรอีกรูปนึงตามไปหาเสร็จ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีร่องรอยปรากฏอยู่ข้างถนนหน้าโรงเรียนบ้านโทกน้ํากัดก็พักค้างแรม โยมพ่อนั่นบวชดอยเหลี่ยมนะก็คือครูบาเป็งต่อจากนั้นก็พา การอยู่ป่าบางครั้งได้รับความสะดวกสบายพอสมควรบางครั้งก็ลำบากยากเข็นเหลืออดเหลือทนเหมือนกับจะเอาชีวิตจิตใจไปแลกเอาศีลธรรมกรรมฐานเสียจริงๆอย่างเช่นในปีแรกของการออกอยู่ป่าเป็น ที่มีชื่อปรากฏในตำราบูรณว่าเป็น อยู่ไปอยู่ไปคืนมานึ่งประมาณ 4:00 น. ครูบาพรหมมากําลัง ไม่ต้องกลัวครูบาพรหมมาก็ปลอบใจว่าเออชีวิตของเราจะถึงจุดจบเสร็จที่นี่แล้ว ร้องออกไปว่าใครมาเนี่ยถ้าเป็นคนน่ะๆนั่งลงแล้ว ไม่ใช่เสือตามทอดกันหลอนเขาย่องเข้ามากลัวหรอกเป็นชาวบ้านน่ะเค้ามาทอดผ้า ครูบาพรหมก็เล่าความเป็นมาตอนกลาง การอยู่นอนป่านี่ถ้ากลัวเสือกลัวหมีกลัวไม่มาทําอันตรายแต่ถ้าป่าไหนมีแรดอาศัยอยู่กลางคืนอย่าได้สุมไฟไปนั่นขาดเพราะแรดเป็นสัตว์ไม่ การเดินทุรดงของครูบาในฤดูแล้งปีครู เนื่องจากเวลานั้นในจังหวัดภาคเหนือยังไม่ปรากฏว่าจะมีพระรูปไหนออกมา ในตอนแรกก็มีพระน้องชายพร้อมกับโยมพ่อ ท่านบอกว่าการอยู่ป่าต้องมีความอดกลั้นแล้ว พอถึงฤดูใบไม้ร่วงก็ร้อนจนเกือบไม่มีที่ แต่แล้วพอตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่า 2 กิโลเมตรในวัน แต่พอถึงกลางคืนดึกประมาณ 02.00 น. ก็เกิดมีฝนห่าใหญ่ ครูบาพรหมมาก็เหลือบมองดูจีวรที่ห่มเปียกชุ่มว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าเป็นดินทรายไปหมดยกเกือบไม่ขึ้นหน้าต้องเวชใจในชีวิตตัวเป็นกำลังก็นึกปลอบใจตนเองว่าช่างมันเถอะอะไรๆมันก็ล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นพอถึงเวลาภิกขะจารย์ เวลานั้นมีคนแก่คนหนึ่งชื่อพ่อ ขั้นแรกนี้ท่านได้ตั้งใจสมาทานอธิษฐานอุทุฑงควัตรและอุทุฑงคธรรม ตามระเบียบวิธีแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งนี้ไม่ได้มุ่งหมายอย่างอื่นหากมุ่งหมายความที่พระพุทธองค์ คือความดับทุกข์ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพระเดช 4 มีจีวรมี แล้วก็นิสัยตามที่พระอุปัชฌาย์ได้สอน เว้นแต่มีเหตุถ้าพระขี้เกียจไม่อาศัยลำ ถึงกับต้องขอบินทบัตพริกกับเกลือจากโยมผู้ติดตามเพื่อเอามา ก็ปรากฏว่าๆด้วยความเออเนนน้อยวันนี้พวกเราจะ ไม่ใช่อยู่เพื่อฉันจงนึกถึงน้อมน้อมถึงพระพุทธเจ้า เพราะว่ามีน้ําในลําห้วยลึกไหลหนองขวาง เวลานั้นมีพวกล้วะประมาณ 30 คนมาที่นั่นพระพระพรุ่งนี้นิมนต์ไปบิณฑบาตที่บ้านข้าเจ้า แต่ที่ไหนได้ท่านทั้งสองกลับเดินบุกป่าฝ่าดงไปตามทางห้วยอัน 50 บาทั้งสอง อ้อวัตตาอาหารกเวสิทุกขังสาการแสวงๆธรรมดาธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นอาหารผักหรือว่าอาหารเนื้อถ้าเป็นของบริสุทธิ์สะอาดและชอบธรรมท่านก็ฉันไปตามปัจจัยบังเกิดเพราะชีวิตของบรรพชิตนี่เนื่องด้วยผู้อื่นอยู่ด้วยผู้อื่นคราวอยู่ป่าก็ ซึ่งมีพระครูภาวนาพิรัตน์วัดน้ําบ่อหลวงระวัง สักครู่ก็เห็นๆกําลังวิ่งตรงเข้ามาทางนั้นน่ะพวกพระที่ 2 คําต่างก็ตกตะลึงลุกตาม จักหลับนั่งลงฉันอีกไม่ได้การโยกประเทศพม่าประเทศลาวทั้งนี้ นานๆจะมีภูศรัทธานิมนต์ขึ้นรถสักครั้ง คันไปถึงเชียงแสนพักอยู่ไม่นานเพราะว่าฝนตกหนักไม่มีที่พักอาศัยก็พากันเดินทางกลับด้วยความจําเป็นจําใจเดินจากตัวจังหวัดมาอำเภอพานซึ่ง พอได้ข้าวแล้วก็พากันแวะไปที่วัดวัดนึงชื่อวัดเกฎแก้วซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเจ้าอาวาสเป็นพระใจดีมีภรรยาเออตะวันเกือบจะเที่ยงนี้ เอามาถวายโดยเร็วเพราะว่าใกล้จะ ตังก็ตอบอย่างงงๆว่าไม่รู้ครูบาพรหมมาท่านก็รู้ได้ ส่วนใจของเราจงทําให้เข้มแข็ง เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ เรื่องหลวงพ่อพระพุทธบาทตาผ้าหรือว่าครูบาพรมมานะครับท่านเคยเล่าว่าช่วงนั้นสัตว์ป่าครั้งครั้ง วัดน้ำบ่อหลวงซึ่งเป็นพระพี่ชายท่านเป็นหัวหน้าคณะได้ทรดงไป พวกนายพรานและชาวป่าถือว่าการทํา ว่ากลัวกันต่อมาก็พากันนั่งสงบจิตประมาณ 10 นาทีมันก็หันเข้าป่าไป นี่ดีแต่ว่าพระธรรมปกปักรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนะอีกครั้งหนึ่งครูบาพรหม ตลอดถึงตอนกลางคืนเวลาดึกก็ปรากฏว่ามีเสือใหญ่มาๆแต่พวกท่านไม่รู้ๆโคนไม้ มันคงจะ 1 ชั่วโมงแล้วสังเกตดูรอยเท้าของมันเดินกลับไปเอ่อก็มี เรามีความมั่นใจแล้วก็เต็มใจอินดีด้วยความดีของเรามีความมั่นใจแล้วก็เต็มใจยินดีด้วยความดีของเรา ท่านอาจารย์ถือเอาเป็นที่พึ่งบ้างมั้ยครับคือเรื่องจะ ถ้าถือบ่าวผีเป็นที่พึ่งก็ผิดพระธรรมวินัยทั้งที่ดี หลวงพ่อท่านเป็นประธานอํานวยการสร้างวัดพระพุทธบาทตากผ้าสร้างอุโบสถศาลาการประเรียนวิหาร แล้วก็เจดีวัดพระนอนม่อนช้างเป็นประธานสร้างอุโบสถศาลาการประเรียนและ เพราะว่ามุ่งทําประโยชน์ส่วนตนเสียก่อน ด้วยการแนะนำท่ําสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ หนังสือฐานศีลภาวนาหนังสือคําถามคําตอบเรื่องศีลสมาธิปัญญาจัดเรื่องผีสางนางไม้และพระภูมิเป็นๆ ซึ่งท่านได้เคยประสบมาหลายครั้งท่านได้เคยประสบมาหลายครั้งเอ่อเรื่องมีว่า วันแรกที่มาถึงปู่โยมวัดเค้าก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นที่อยู่ของผีเสื้อวัดเป็นผี แล้วก็นั่งคุยกันถึงเรื่องการจะจำ 4-5 ตัวเห่าวิ่งจากต้นประตูมเข้ามาทางประตูวัด สักพักหนึ่งสุนัขก็หาวติดตามออกไปทางว่าพวกเราเป็นแขกมาอยู่จงตั้งใจบำเพ็ญ คั้นอยู่ต่อมาอีก 2 สามวันตอนกลางคืนอ่าเวลาดึกประมาณสัก 4:00 น. อยู่ พวกพระเนนก็พากันตื่นตกใจวิ่งกันวุ่นหมดเออดีแล้วเจ้าที่โทรณีย์ทรงเสียงอนุโมทนาสาธุกับพวกเรา เข้าใจว่าชาวบ้านคงจะตายกันสักคนหรือไง บัดนี้มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาอาศัย อุปุตตบาทท่านไม่ได้ๆแต่ท่านก็บอก อ่าของธรรมะซึ่งเป็นที่พึ่งให้แก่ญาติโยมทั้งหลายอีกด้วย บรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างก็เออคนนี้มันมาที่ พูดแล้วสาว 3 ครั้งก็ยังไม่กลับหรือทําผิดระเบียบวินัยท่านก็จะมอบให้พระผู้ช่วยของท่านจัดการก็มอบภาระการปกครองให้พระผู้ช่วยทําแทนท่านก็พยายามปลีกตัวหาเวลาทํากิจวัตรของตนตามควรแก่ฐานะของผู้มีวัยชรา ท่านก็พยายามเรียกเลี้ยงการก่อสร้างท่านๆให้ท่านพออยู่ได้ 1 หรือว่า 2 บรรษาเท่า พอทราบข่าวและกิจติสารของครูบาปรมมาที่เป็นผู้ปฏิบัติอยู่เป็นกิจจวัตรครูบาอืมยังยุ่ง ยังทําเพื่อผู้อื่นอยู่นะจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อและ เช่นบางครั้งมีลูกศิษย์ลูกหาไร้สติปัญญาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาท่านท่านก็ยังทําใจดียิ้มออกมานิสัย เวลาฉันเข้าทัญญะมองมา มีคนบอกท่านท่านก็ไม่ตอบว่าอะไรท่านก็ บังเอิญปีนั้นเกิดผลแล้งคนไม่ได้ๆนานาเป็นไปนั่นน่ะเอาโครงกระดูกมาไว้อ่ะทํา ได้ยินเค้าแต่คิดว่าเป็นโชคดีที่เราเป็นพระมานานแล้วมีคนติฉินนินทาท่านเยอะท่านคิด เราเอาไว้อดไว้ทนเราจะได้ใช้ขันติไว้อดไว้ทนใช่มั้ยล่ะอ่าจะได้ ครับนั่นก็